วิเคราะห์ทุกกฎเธอจงฟังอาบัตที่เราเรียกว่าทุกกฎตามลำดับกรรมที่ผิดพลังพลาดจัดเป็นกรรมที่ทำไม่ดีคนทำความชั่วอันใดไว้ในที่แจ้งหรือในที่ลับบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมประกาศความชั่วนั้นว่าทำชั่วเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกอาบัตินั้นว่าทุกกฎ